ก่อนที่จะสมาทานสินหลวงพ่อจะแนะนำเรื่องของสินให้กับพวกเราคณะสัทธาญาติโยมได้รู้ได้รับทราบคุณค่าของสินประโยชน์ของสินเพราะครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านมากันท่านคงจะไม่ได้อธิบายให้ฟังพวกลูกหลานที่ไม่เคยบวชเรียนเขียนอ่านในพระพุทธศาสนา ถึงจะรับสินไปแล้วก็เพียงแต่รู้ว่าห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ผุดผิดในกรรมไม่ก้าวมุสาไม่ดื่มโซราอันนี้ก็คือสินห้าแต่คุณค่าของสินประโยชน์ของสินไม่มีองค์ไหนที่จะอธิบายให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังในรายละเอียดบางองค์นะ แต่หลวงพ่อถึงจะพวกเราจะรู้หลวงพ่อก็เนี่ยมานี้เป็นมานานทีเดียวที่มาอยู่มาเทศนาหรือมาให้ศีนในแบง่งชาติแห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งลูกหลานผู้ที่ได้ยินได้ฟังคงจะเกษียณอายุราชการไปแล้วก็คงจะมีมากแต่ผู้เข้าใหม่ก็คงมีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับสินในคราวนี้หลวงพ่อจะขอ แนะนำบอกกล่าวคุณค่าของศีลให้กับคณะทาญาิาจวงลูกหลานได้ทราบเข้าใจอันดับแรกของพ่อจะเป็นผู้กล่าวว่านโมนำนำว่านโมานโมตัดสะพระคัลวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคก็รหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทําไมจึงกล่าวนโมเรารับศีลทำไมจะมากล่าวว่านโมเพราะว่า สินที่เราจะรับเนี่ยเป็นสินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบโดยพระองค์เอ ง, อ ง, เองจากนั้นได้มัญญัิเรื่องของสินเพราะนั้นเราได้ศึกษายอมรับในพระธรรมคาสอนของพุท ธ, ธเราจึงกล่าวนะโมขอนอบน้อมพุท ธ, ธต้นศาสนาต้นศาสนาต้นความคิดนี้เพราะนั้นจึงเรากล่าวนะโมถึงสจบนะโมตัสสจากนั้นพุธทธัง ทำมังสังขังสระนาคัฉามิข้าพเจ้าขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นธรณะเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้นศาสนาต้นพระพุทธศาสนาเออเป็ น, เ ป, นเป็นผู้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชอบเองแล้วก็ประกาศพระธรรมคือคําสอนออกมาคือพระธรรมทำมังสังขังคือพระสงฆ์สาวกที่นําพระพุทธเจ้า นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแพร่ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้ศึกษาถ้าไม่มีพระสงฆ์นําพระธรรมออกมาประกาศพระพระพุทธกับพระธรรมคงจะหมดในยุคนั้นแต่นี้พระสงฆ์ได้นําพระธรรมออกมาประกาศพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้เป็นผู้มีพระคุณสาหรับพวกเราเพราะฉะนั้นเราจึง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 ฆ่าไปเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าเพราะการฆ่าคนอื่นเราไปฆ่าคนอื่นเขาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงสารก็นายาตหรือฆ่าที่ฆ่าคนที่เรารักเคารพนับถือเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรในใจของเขานั้นเพราะพระเจ้าเห็นคุณค่าของใจ ท่านจึงอย่าได้เบียดเบียนกันอย่าได้คิดฆ่ากันอันนี้คือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีอย่าไปคิดขโมยคนอื่นเขาสิ่งของของเขาเขารักสังหวนห่วงแหนของเราก็เช่นเดียวกันเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องวงศาระญาตรรักไปรักขโมยของเขาสิ่งที่เขาห่วงแหนเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามาขโมยของเรา เราก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเห็นคุณค่าในการขโมยกันไม่มันเสียความรู้สึกเสียใจยทุกอย่างในจิตใจของเราถ้ามีคนมาขโมยพ่อแม่ของเราไปเรียกค่าไทยขโมยสิ่งของที่มีมคุณค่าของเราเราเสียใจยถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจยเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ขโมยกัน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 ถ้าเราไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาเสียความรู้สึกเขาเสียใจ เ, เราไปหลอกว่านี้คือทองคำแต่ทีแ ท, ท, ท้เป็นตะกวดย้อมเป็นสีเหลือง เ, อเมื่อเขาได้ไปแล้วเขามีความรู้สึกยังไงเราไปเขียนกระดาษแผ่นหนึ่งว่าเป็นเช็คที่มีเงินแต่ที่แ ท, ท้เป็นเช็คเด้งให้เขาเขามีความรู้สึกอย่างไร ถ้าเขามาทำให้กับเราล่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้คือสีลข้อที่สข้อที่หสุราเมระยะมัชชะอมากการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราแล้วขาดสติเมื่อขาดสติแล้วทำความชั่วดีทุกอย่างสุราคำนี้เดี๋ยวนี้มีมากที่สงเคราะห์เข้าสุราคันชายาวฝิ่นเฮโรอีน ยา마ยาบ้ายา마โคเคนมีมากมายที่มือดื่มจะเป็นชื่อและมีมีชื่อและมีมีชื่อก็ตามถ้าดื่มและเสพเข้าไปแล้วขาดสติเอาจนที่ว่าตรงที่ว่าขาดสติในเมื่อคนขาดสติถ้าทำความชั่วในทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จ ะ, ไดจะร่าบ ร, า ร, ริงในสามีภรรยาของใครก็ได้จะโกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติ ขาดการยับยัง้งเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นศินที่ตันตรายหรือเป็นศินที่เป็นหลังคาบ้านเรื่องคาโบดหลังคาศาลาหรือละอังละออหลังคาอาคารหลังนี้แหะถ้าอาคารหลังนี้ไม่มีหลังค า, าฝนตกแดดออกเสียหายหมดของในของในศาลาเราอยู่อาศัยไม่ได้นี้ก็เหมือนกัน ถ้าหาว่าคนขาดสติคนื่นสุราแล้วจะเป็นใหญ่เป็นตัวยศฐานบรดาศักดิ์สูงสง่งขนาดไหนก็ตาม เ, เป็นผู้จัดการเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามถ้าขาดสติแค่อย่างเดียวเสียหายหมดเพราะนั้นเรื่องสุรามิใช่ธรรมดาสุราคำนีนะ้เป็นอันตรายต่อการเป็นอยู่ของพวกเราหมดศักดิ์ศรีหม ด, ห, มดหน้าที่ หมดความเชื่อถือถ้าขนขาดสติแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายเรียกว่าสินท่าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยเป็นสิลที่คุ้มครองโลกทําให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขถ้ากว่าเป็นผู้มีศินด้วยกันไปอยู่นสถานที่ใดก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะเหตุหลใยเพราะต่างคนก็ต่างขอครบรพซึ่งกันและกันเพราะเป็นผู้มีศินไว้ใจกันถ้าหากว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีศิน อยู่ด้วยกันก็ด้วยความหวาดระแวงไม่ไว้ใจกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่รู้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้จะคิดฆ่ากันไม่รู้ว่าจะคิดขโมยกันไม่รู้ว่าจะประพฤติผิดละเลอะละาบละล่วงในสามีกันไม่รู้ว่าจะโกหกต้มตุนหลอกลวงกันไม่รู้ว่าจะเมาเหล้าขึ้นมาแล้จะอารวาดฆ่าใครตีใครก็ได้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีสิน เพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ทําให้โลกทางโลกร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านรู้คุณค่าของศีลแล้วโบรัมโบราณเขาจึงให้มีพิธีกรรมพิธีการสิ่งไหนก็ตามก่อนที่จะมีพิธีกรรมทางพุทธศาสนาท่านจึงให้สมาทานศีลก่อนเพราะนั้นศีลจึงมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานา นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะเนผุติงยันติตัดสมาสีหลังวิโสทาเยะคณะสัทธาติโยมก่อนที่จะแสดงธรรมหลวงพ่อมีอะไรที่จะปารบให้คณะสัทธาติโยมลูกหลานพ่อแห่งนี้ ศรัทธาญาดโยมแห่งนี้เป็นแบงค์ชาติเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเกี่ยวกับแบงค์ชาติอย่างไรกับองค์หลวงตามหาบัวพวกเราก็คงจะรู้กันทั้งหมดนะแต่หลวงพ่อจะเน้นในจุดที่ว่าหลวงพ่อเองในเมื่อหลวงตาหาทองคําเข้าคลังหลวงเมื่อปีสามสิบเก้าสี่ศูนย์หลวงพ่อเองก็มีส่วนที่หาทองคําเข้าคลังหลวงในจุดนี้ ร้อยกว่ากิโลในส่วนของหลวงพ่อเองเพราะนั้นหลวงพ่อเองเคยมาฉันอยู่ที่แบงค์ชาติในสมัยเมื่อหมอมอุ๋ยเป็นผู้ว่าการแบงค์ในคราวนั้นในเมื่อหลวงตา ย, ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เมื่อหลวงตาจุตินิรพานไปแล้วหลวงตาก็มีพี่นายกำเขียนไว้ว่าเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเราตายลงไป เงินมาบริจาคทุกบาททุกสตังค์มาในงานศพของเราให้ซื้อทองคาเข้าครังหลวงทั้งหมดอย่านำเงินเหล่านั้นมาใช้ในงานศพของเรางานศพของเราก็คือเนี่ยใช้ไม้เผาอย่าเอาเงินมาใช้เพราะนั้นหลวงพ่อเองในเป็นพระที่อยู่ในพิธีกรรมขององค์หลวงตาที่หลวงตาได้สั่งเอาไว้ หลวงพ่อก็ได้จัดงานองค์หลวงตาไม่ได้นําเงินจํานวนจํานวนที่พี่น้องประชาชนมาบริจาคมาในงานบริจาคในงานศพหลวงตาหลวงพ่อใช้อะไรพอหลวงพ่ออ่านพิธณกรรมจบแล้วตอนเย็นหลวงพ่อก็เรียกประชุมพระลูกศิษย์น้องๆของหลวงพ่อทั้งหลายที่เป็นศิษย์องค์หลวงตาพอไปชุมกันแล้วทํำยังไงหลวงตาไม่ให้ใช้เงินที่คนมาบริจาค พวกเราพี่น้องทั้งหลายต้องลงขันกันใครจะลงขันเท่าไหร่ลงพ่อเอาลงพ่อที่เป็นคนพูดเป็นคนต้นเรื่องลงพ่อจะลงขันก่อน ,00 แสนบาทผลที่สุดก็ต่างคนก็ต่างลงขันกันในวันนั้นในคืนนั้นพูดกันไม่ถึง30นาทีได้เงิน6ล้านอันนี้ก็ตอนนี้เช้ามาก็เอาเข้าบัญชีทันทีจากนั้นก็ได้ดเงินดำ ด, ำดำเนินงานเอาใช้เงินก้อนท่แบบ น้องๆทั้งหลายลงขันกันไม่ได้เอาเงินก้อนนั้นมาใช้ผลทสิตธ์เงินก้อนนี้แต่พวกน้องๆทั้งหลายพวกพระทั้งหลายที่เป็นสิทธ์ยาวที่สิทธิ์พอรู้แล้วก็ต่างคนก็ต่างทยอยกันเข้ามาก็ในเงินเป็น60 60กสว่าล้านนะแต่เงิน60กว่าล้านนี่ถ้ามันเหลือเราก็จะเอาเข้าไปซื้อทองคําเหมือนกันแต่ว่าทีนี้มันมีหนังสือเล่มหนาๆใหญ่ๆนี่เราพิมพ์หนังสือเล่มนั้นนะมนนมนนหมดไปค่ะามสล้านนะต่นนั้นนะ จากนั้นก็มีค่าใช้จ่ายอีกในงานที่ถวายพระสงฆ์ที่มาในงานอีกเงินก่อนนั้นก็เปือว่าหมดไปนะไม่พออีกต่างหากแต่นี้ก็เงินจนํานวนที่ได้มาจากบริจาคได้เงินเงินตะขอนได้ทั้งหมดทองคําของหลวงตาเมื่อหลวงตาจุตินิพพานไปแล้วนะได้ทองคํา12ตันกับ200รนะ้อนแหละหลวงพ่อมันไม่ไม่มั่นใจนะ แต่ทีนี้พอเราหาได้แปดร้อยกว่ากิโลงานศพของหลวงตานะได้เงินมาหลายร้อยล้านเหมือนกันเอพราะฉะนั้นอยากจะให้พระท่านอ่านเพนายนกรร อ, อ, อยากจะให้พวกคณะสั ท, ะทายาญาติโยมลูกหลานได้ทราบว่าหลวงพ่อมีส่วนเหมือนกันนะที่ห ล, หลงตาสั่งเสียให้หาทองคําเข้าคลังหลวงเวพราะนั้นหลวงพ่อจึงให้พระอ่านเอาเริ่มอ่านได้แล้วนะ กราบขอโอกาสอ่านพินัยกรรมขององค์หลวงตามหาบัวยาสนสัมปโนพินัยกรรมธรมที่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2543ข่าวเจ้าพระธรรมวิสุทธิมงคลพระมหาบัวยาสนสัมปโนอายุ87ปีมีภูมิมลำเนาณ ว, นะวัดป่าบ้านตาด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 ให้หลอมเป็นทองคำแท่ง 1.2 ส่วนที่เป็นเงินไม่ว่าจะเป็นเงินสกุลใดให้นำไปซื้อทองคำแท่งให้นำทองคำแท่งทั้งข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ไปมอบไว้ให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำรองเงินตาของฝ่ายออกบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยโดยข้าพเจ้าไม่มีเจตนาจะให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดนำไปใช้เพื่อการอื่น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 พระปัญญาวัตโทรพระสุดใจทันตมโนพี่ในรรมำฉบับนี้ข้าพเจ้าพระสุดใจทันตัมโนเป็นผู้พิมพ์และผู้เขียนลงชื่อพระสุดใจทันตมโมผู้พิมพ์ผู้เขียนขณะศรัทธา ญ, ญาโจมโรคปานได้ฟังเลยที่ว่าหลวงตามหาบัวเนี่ยขณะท่านตายไปแล้ว เงินที่มาบริจาคในงานศพของท่านท่านยังม อ, มอบให้แก่แผ่นดินท่านรักชาติรักแผ่นดินของพวกเราแต่ตัวของท่านจากไปแล้วเข้าสู่จติเนผพานพินัยกรรมฉบับนี้เขียนตั้งแต่ปีสองสแต่ท่านมรณภาพปี 5-4 เป็นเวลาหลายปีทีเดียวท่านเขียนเอาไว้ ผู้ที่เขียนก็นคือท่านรองประธานสารดิกาท่านพิชิตกำแฟงคำแฝงเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตาเดี๋ยวนี้ก็กเกษียณอายุราชการไปแล้วนะเป็นผู้ใหญ่แต่เมื่อเขียนเสร็จแล้วเมื่อลงตาจุดตินิพพานพระอาจารย์สุดใจที่เป็นเจ้าวาดในขณะนี้ท่านก็ถือภาในกรรมออกมาแต่หลวงพ่อเขาไม่รู้เหมือนกันวันนั้นก็ เอาสรีระขององค์หลวงตาหยุดที่ศาลาที่ศาลาข้างในเอาไว้ข้างบนแต่วันนั้นทุนก็หมอ่อมท่านก็เสด็จมาหลายหลหลายวันท่านเสด็จมาประทับที่อุดอรท่านก็มาประทับนั่งอยู่ข้างศรีระขององค์หลวงตาแล้วก็มีพระคณะสงฆ์หลายร้อยหลายพันองค์คงจะเป็นเกือบจะเป็นพันองค์เต็มศาลาวันนั้นท่านดูใจก็เอาพินัยกรรมฉบับนี้ละ่ะยื่นออกมา บอกว่าขอให้ท่านอาจารย์มอบให้ท่านอาจารย์ขึ้นให้อัตมาภาพเองหลวงพ่อได้รับเอาเป็นรายละท่านชูใจพินัยกรรมครับหลวงพ่อก็เพิ่งรู้เห็นได้วันเองวันนั้นเองเรื่องพินัยกรรมจากนั้นเอาก่อนทมนุ์ท่านชุใจอ่านไมครับขอให้ท่านอาจารย์เป็นองค์เป็นองค์อ่านหลวงพ่อก็เลยเออเอาหลวงพ่อก็ได้รับพินัยกรรมมาแล้วหลวงพ่อก็ได้การาบคารวะพระอุรมยานโมรีที่เป็นพระหมหาเถระผู้ใหญ่ ที่มานั่งอยู่ในที่นั่นและก็ทูลกมอมอยู่ตรงข้ามหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้อ่านพิณนนกรรมต่อหน้าพระพักทูลกมอมฟ้าหยิงและคณะสงในวันละสังขารขององค์หลวงตานี่แหละพวกเราได้ฟังแล้วว่าหลวงตามหาบัวท่านมีความตั้งใจที่ั่นจะสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์เงินทุกบาททุกสตัง ท่านให้พระอาจารย์ฟักองหนึ่งเดียวพระอาจารย์ฟัก เ, เมื่อท่านก็มรณภาพก่อนองหลวงตาและกัท่านปัญญาวุฒโธ ท, ท่านก็มรณภาพไปก่อนองหลวงตายังเหลือแต่หลวงพ่อกับท่านหลวงพ่อวันชัยถ้าหลวงพ่อวันชัยก็ป่วยไม่ได้มาเกี่ยวข้องในงานเสด็ะของหลวงตาเพราะฉะนั้นงานของหลวงตาในข่าวนั้นครั้งนั้นหลวงพ่อ แปลว่ากระโดดออกมาเต็มที่ได้มากับคณะสงฆ์ได้ช่วยกันมากมายทีเดียวกับพวกน้องๆทั้งหลายกับคณะาายยาจจัตธาญญาติโยมถ้าว่าผู้ที่ได้ไปในงานสตรีละขององค์หลวงตาในวันนั้นก็คนล้นหลามคนหลวงพ่อบอกคนจะมาเท่าไหร่เป็นล้านหลวงพ่อบอกอย่างนั้นก mm ็ hmm. คงจะไม่ผิดมากเพราะว่าคนวันนั้นมากจริงๆ งานหลวงตาก็ได้เป็นไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นทุกอย่างฮะเพราะนั้นวันนี้ได้มาถึงแบงค์ชาติหลวงพ่อก็อยากจะให้ให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกๆห ล, ล, ลานๆทั้งหลายได้รับทราบว่าหลวงตาห่วงใยแบงค์ชาติขนาดไหนและกับพินัยกรรมที่หลวงตาเขียนไว้ก็คือหลวงพ่อองค์หนึ่งในไตรับพินัยกรรมขององค์หลวงตาที่มอบหมายให้ เป็นผู้ดูแลพินัยกรรมหลวงพ่อก็ทำงานอย่างเต็มที่ได้เงินั้งได้ทองคำตั้งเ8 0 0รกิโลในงานสรลีละสังขารขององค์หลวงตาสรุปแล้วทองคำของหลวงตาได้13ตันกว่าแล้วก็เงินดอนลลาร์ได้10ล้านกว่าดอลลาร์ที่เข้ามาสู่คลังหลวงแห่งนี้นะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้มาพบกับคณะ คณะสัทธาญาติโยมแต่วันนี้ในผู้ควาแป้งคองไม่ได้อยู่เมอานนี้นะออท่านไปทุระของท่านผู้ใหญ่ออมีแต่คณะพวกเราท่านทั้งหลายออที่มาได้ยินได้ฟังนะออตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะตั้งใจฟังนะลูกหลานนะนะโมตัสสะปะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุท ธ, ธัสสะ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 วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่อาตมาภาพได้มาสู่แบงค์ชาติมีกิตติมนุประจําเดือนของแบงค์ชาติสรุปแล้วคือท่านคณะกรรมการผู้ใหญ่ในแบงค์ชาติก็เห็นว่าพนักงานทั้งทุกระดับควรจะศึกษาควรจะมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมความประพฤติที่ดีงาม วันนั้นจึงมีการอบรมขอนิมนพระเทรามหาเทระต่างๆรุ่นต่างๆได้มาแสดงธรรมในแบงค์ชาติแห่งนี้แต่วันนี้ก็เป็นคิวของหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รับและได้มาแสดงธรรมให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทุกๆ ท, ท่านได้ยินได้ฟังอันดับแรกก็ได้พูดกล่าวถึงพินัยกรรม อย่างพวกเราท่านทัน้งหลายได้ยินได้ฟังก่อนหน้านั้นไปหลวงพ่ออธิบายเรื่องศีลห้าให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาต่อนี้ไปเรื่องทานเรื่องศีลพวกเราท่านทัน้งหลายคงคงจะเข้าใจแล้วว่าทานมีอานิสงส์อย่างไรศีลมีอานิสงส์อย่างไรแต่ลกวันนี้หลวงพ่อจะเน้นเรื่องจิตภาวนาถึงจะมีเพราะว่ามีเวลาจากัด พวกเราจะได้ทำการทำงานในวันนี้เพราะในช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงพวกเราจะต้องทําช่วงเที่ยงให้เกิดประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่อจะพูดแสดงธรรมะเรือ่อแนวทางรวบรัฐให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษ า, เ ร, เ, า, ตตราเรื่องจิตตภาวนาเรื่องจิตตภาวนาด้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก ที่พระองค์บัญญัติไว้ว่ากรรมฐานส0สบอย่างเพราะนั้นพระคณาจารย์ทั้งหลายในยุคสมัยนี้พวกเราได้ศึกษาไม่ว่าที่เบตไม่ว่าเนปาลไม่ว่าศีรังกาพมา่าญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันที่แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวคณะสิทธิ์แต่ละอย่างแต่ละคณะก็มีมากมาย แต่ละพิธีการแนะนําประพุทธปฏิบัติเรื่องกรรมฐานเรื่องภาวนาแต่หลวงพ่อไม่ขอกล่าวในท่านเหล่านั้นเพราะผมพ่อไม่ได้ศึกษาในศึกษาในวิชาของคณาจารย์ท่านเหล่านั้นแต่หลวงพ่อเองศึกษาแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลงวงตามหาบวัวรือว่าลูกศิษยานุสิทธิ์สายหลวงปู่มั่น เพราะว่าหลวงพ่อเป็นศิษยาณุศิษย์ของหลวงปู่ล่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่จามหลวงปู่แหวนที่ตรงพ่อเคยจำพรรษาร่วมกับพระมหาเถระจากนั้นก็ได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์องค์อื่นๆที่เป็นศิษยาณุศิษย์แนวแถวสายหลวงปู่มั่นเหมือนกันแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนว่าท่านให้ภาวนาหายใจเข้าบริกรรมพุ หายใจออกบริกรรมโถอันนี้คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นแต่ในทับในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามันเข้ากันได้ไหมกับพระธรรมคําสอนของพุทธะไม่ใช่ว่าครูบาอาจารย์ก็เราจะไปนับถือระหูหระตานับถือครูบาอาจารย์แต่ท่านสอนไปออกนอกลูก่นอกทางจากพระพุทธเจ้าอย่างนั้นใช่ไหม เข่ามาศึกษาดูแล้วพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหเพนนนั้นท่านตัดรู้เรื่องอะไรท่านทํายังไงในวันเดือน6เพนในวันนั้นหลวงพระพุทธเจ้าท่านพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินในวันนั้นนายโสธิยะได้นําญาค่าผ่านมาเห็นท่านสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลําพัง นายโสธิยะได้นำยากาเข้าไปถวายมอบให้สี่กำมือ8กํามื อ, อ, อใครเข้าว่าท่านหาบมาเนี่ยข้างละสกํามือมอบให้8กดกำมือจากนั้นท่านชิตตะได้ยากา8กํามือท่านก็มองหาที่ทำเลที่จะนั่งท่านได้มองหาทำเลในทางเิตตะวันออกของต้นโพกจากนั้นพระองค์จึงได้เกลีย์ยาคาสี่กำมือ เอาหัวไปทางหนึ่งเอาหางมาข้างหนึ่งจากนั้นเอาอีกสี่กำมือก็อประสานกันเอาหัวไปคนละข้างเอาหางเอามาประสานกันจากนั้นทําเป็นอาสนะจากนั้นสิท ธ, ธะขึ้นไปนั่งจุที่อาสนะยญ้าขาขาขวาทับขาซ้ายท่านนั่นท่านนักนั่งขจมาิขาขวาทับขาซ้า ย, าขาขาาายจากนั้นก็มือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกเพนนันจากนั้นพระองค์มีสติมีพระสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่คิดถึงอดีตอดีต ไม่คิดถึงอนาคตในช่วงนั้นแต่ก่อนหน้านั้นท่านก็ว่ามีพยาบาลนางตันหาราคาอรอดีมาบรบกวนมาแย่งบันลังแต่ถ้าเราคิดดูแล้วก็ถ้าท่านเป็นเป็นปุขราทิฐานถ้าเป็นคิดเป็นธรรมมาทิฏฐานก็คงจะพระองค์นั่งอยู่ตามลำพังก็คงจะคิดถึงเวียงวังคิดถึง เรื่องเก่าๆของพระ อ, องค์เพราะนั้นกิเลสเหล่านั้นจึงเข้ามาลบกวนพระไทยใจของพระ อ, องค์จสดงอกับกบัติริยาฮะถึงเป็นสรุปแล้วก็คือราคะนางตันหาราคาอรดีนี่แหละคือทำไมพระ อ, องค์จึงไปสู้กับกิเลสอย่างนั้นอันนี้ก็คือพระไทยของพระ อ, องค์ไขว่คว้าไปถึงเรื่องกิเลสกามลาคะ โผง่ายๆจากนั้นพระองค์ก็เอาชนะด้วยสัจจกความจริงของพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานให้แน่วแน่ไม่คิดถึงทางอื่นจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมก็ไปและเกิดญาณทัศน์นาเกิดฌานความรู้พิเศษขึ้นมารละลึกชาติผนหลักได้จว่าปุพเพนิวาสารุสติยานอันนี้พวกเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ให้พวกเราสังเกตดูว่าในหลักของพุทธศาสนาแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะเหตุไรถ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวพระองค์จะระลึกชาติผลหลังได้ยังไงอันนี้พระองค์ได้ตรัสรู้ในวันนั้นปุปเพนิวาสานุตติยานระลึกชาติผลหลังได้แสดงว่าพุทธศาสนานั้นว่าตายแล้วเกิดตายแล้วไม่สูญพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะ ป, ะปะตาตยาน มองไปดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมาจากไหนมาเกิดมาทาไมมาเกิดแล้วทำไมไม่เหมือนกันคนหนึ่ ง, งโง่คนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งร่ำรวยสวยงามอาการพิกลพิการออก็มีบ้าใบาเสียเสียจริตก็มีมากมายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นพระพุทธองค์ก็มองอีกเหมือนกันทำไมมนุษย์เกิดมาแล้วไม่เหมือนกันเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วทาไมไม่เหมือนกัน พระ อ, องค์ก็มองดูอีกแต่ละดวงวิญญาณแต่ละคนแต่ละดวงใจที่มาเกิดนั้นมาด้วยอะไรทำไมไม่เหมือนกันพระ อ, องค์ก็มองไปถึงอดีตไปถึงอดีตที่การกระทำของสัพพสัตทั้งหลายเหล่านั้นมาเกิดมาพอมาเกิดแล้วไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะกรรมกรรมคือการกระทำคนทำกรรมทำไม่ไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกัน ทำไม่เหมือนกันโพษไม่เหมือนกันในเมื่อคิดไม่เหมือนกันทำหรือพูดไม่เหมือนกันกรรมเหล่านั้นจะจำแนกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมาเกิดและไม่เหมือนกันแตกแตกต่างกันเพราะกรรมเป็นผู้จำแนกมนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นพระองค์จึงเมื่อได้ตัดรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์จึงให้โอวาทปฏิโมกกับภิกษุทั้งหลายว่าอากตังดุ ก, กตังเสยโย ปัจฉ่าตปติทุ ก, กตังกรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเมื่อคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วลงไปแล้วกรรมชั่วจะให้ผลตนเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังอันนี้ให้คณะสัตยาธิโยมทั้งหลายฟังเอาไว้อันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะที่ท่านได้ตรัสรู้จุตูปปาตยานในเวลาเที่ยงคืน พอจวนสว่างท่านก็ได้ตัดสูรุภะอนุตระสัมมาสัมโพธิทิฏฐานเรียกว่าอาสาวคขยะยานยานอย่างรู้ว่ า, าพระ อ, องค์ได้หมดกิเลสแล้วก่อนที่จะได้หมดกิเลสพระ อ, องค์ก็มองดูพระ อ, องค์อีกจวนสว่างว่าดวงวิญญาณในใจดวงนี้มาจากไหนที่ต้นคือที่พ่อแม่ของใจตรงนี้นะ่ะมันเกิดมาจากไหนพอมาเกิดแล้วทำไมจึงมาทำกรรม ได้หลายหลายอย่างทำกรรมดีทำกรรมชั่วใช้กรรมมาจนถึงตลอดมาถึงจนบัดนี้ต้นตอของดวงวิญญาณมาจากไหนพระองค์ก็ย้อนย้อนไปดูไปเห็นไปถึงจุดที่ว่าอาวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราสร้างข้าราปัจจะยาวิญญาณังวิญญาณนะปัจจยานามารูปังสรุปแล้วใจดวงนี้มาจากอาวิชชาคือความโง่คือความไม่รู้ไม่เกินกว่านั้น เพราะนั้นเมื่อมาเวียนไหวตายเกิดทำไมจึงเวียนไหวแต่เกิดเพราะใจดวงนี้มีกิเลสราคะโทสะโมหะทำให้หมุนเวียนเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารล่มล่มดอนดอน อ, อาการราคะขึ้นมาเป็นยังไงอาการโทสะขึ้นมาเป็นยังไงอาการโลภะเข้ามาเป็นยังไงโลกโกดหลงในจิตใจแต่ละอาการเป็นยังไงพระองค์จาแนกแจกออกเป็นอัน แยกออกให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษานี่แหละออพอจากนั้นพระองค์ได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาทัมโพธิญาณด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญานี่แหละตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาที่เผาเกิเลสภายในพระทัยของพระองค์จนได้ตัดสู้ในวันเดือนหกเพนั้นอันนี้คือเมื่อได้ตัดสู้ท่านกับประกาศ ในพระไทยของพวกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่เราจะให้เกิดคือกิเลสราคะโทสะโมหะเรากำจัดออกจากใจของเราแล้วสิ่งที่จะเราที่จะพาเราไปเกิดนั่นหมดจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วใจของเราเป็นไทยแล้วใจของเราเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะธรรม เ, เราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้คือ พุทธะต่ได้มาพูดถึงหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นของพวกเราแต่ทําไมหลวงปูเ่เสาหลวงปู่มั่นของเราท่านจึงให้กรรมฐานต่างจากพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าตัวกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพุทธะตีต้นศาตราต้นพระพุทธศาสนา แต่กรรมฐานหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านบอกว่ า, เ, าเวลานั่งภาวนาเราจะนั่งภาวนาจะเดาให้นั่งตามลําพัง อ, อย่าไปคุกเครียอยู่ในมุมสงบที่ไหนสงบให้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าจะทรงออกไปบวชท่านไปเห็นสมณะนั่งอยู่ที่โคลนต้นไม้ตามลําพังนั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง แล้วก็ท่าสำรวงนี่แหละพระ อ, องค์เห็นสมณะผู้ เ, เป็นผู้นำซะกอ่อนจากนั้นพระ อ, องค์จึงสอนว่าให้พวกเราท่านทั้งหลายหามุมสงบมุมไหนที่สงบไม่มีเสียงอึกกระทึกคคเคร์กโครมอยู่ในห้องในบ้านของเราก็ปิดวิทยุโทรทัศน์ปิดกระทั่งโทรศัพท์ไว้ก่อนในขณะที่เราจะนั่งสมาธิเพื่อไม่ให้ใจของเราวิตกกังวลในเรื่อง เสียงโทรศัพท์เข้ามาถ้าจะรวยมันคงจะไม่รวยในเดียจจนนเด๋ยวนั้นถึงจะจนมันก็คงไปจนในเดี๋ยวนั้นเพราะฉะนั้นให้ปิดไว้ก่อนสามสนาทีหนึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็พอปิดทุกอย่างแล้วก็เราอยู่ในห้องว่ายพระ阿拉หงังสวะคาโตสุปติปันโนถึงจะมีพระพุทธรูปไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่เป็นไร เ, เรากราบในห้องของเราไปสถานที่ ท, ที่ว่าเป็นมุมหนึ่ง เราตั้งแล้วกันเพราะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์ก็ดีอยู่ในใจของเราเราเป็นพุทธมรรคพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่อื่นถึงจะมีพระพุทธรูปต่อหน้าก็เถอะแต่เมื่อเรากราบไปแล้วนึดนู่นไปนู่นไปเรื่องสัพเพเหระอันนั้นก็ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เหมือนกันแต่ไม่มีพระพุทรูปแต่ว่าเรากราบด้วยความจงใจด้วยความ แน่แน่ลำเลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราแล้วกราบพุทธโธทำโมสังโฆกราบสมครั้งครั้งที่หนึ่งกราบพุทธโธกราบครั้งที่สองกราบทำโมกราบครั้งที่สมกราบสังโฆจากนั้นปนมมือขึ้นระหว่างศาี้สะหลวงปูล่ลาท่านเน้นบอกว่าเมื่อปนมมือขึ้นบนศี้สะให้ลำเลึกถึงว่านิพพานังนะนิพพานังด้วยข้าพเจ้า กราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้กราบเล่นๆไม่ได้กราบเพื่อเป็นพิธีกราบเพื่อลำเลึกถึงพระนิพพานจะไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารขอใหถึงพระนิพพานยวันนิพพานังจากนั้นนัวกราบเสร็จแล้วเราจะไหว้พระอรหังสวาสดิโตสุปฏิปันโนนโมตตะสามครั้งจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าไปเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุข ข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทั่วไรโลกธาตุขอให้มีความสุขอย่างข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกๆกดวงใจทุกๆกดวงวิญญาณด้วยเถิดอันนี้คือทําให้จิตใจของเราอ่อนน้อมไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกับใครๆทั้งหมดในจักรวาลถ้าผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรไปกระเท่านั้นมันได้อะไรไมิแต่เสียหาย เ, เพราะนั้นเราไม่ผูกอาฆาตกับใครทั้งหมดในขณะที่นั่งภาวนาจากนั้นก็ออพอไหวพระแผ่เมตตาเสร็จแล้วเป็นภาษาใจจบแล้วนั่งเขาก็นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแล้วปนมมือขึ้นรลหว่างอกสะก่อนออปนมือขึ้นไหวครูสะก่อนเพราะว่าเรานั่งภาวนาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน ให้เราเพราะฉะนั้นเราจึงประนมมือระหว่าง อ, อกว่ายพุทโธธรรมโมสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, สามจบจากนั้นเอามือลงพอเอามือลงกําหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทธทําไมหลวงปู่มั่นท่านจึงให้บริกรรมพุทโทด้วยทำไมไม่ทําเหมือนพระพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าเรากําหนดตามพทุทธะหายใจเข้าก็ได้ไม่เป็นไรไม่ผิด แต่ถ้ามันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายพอ่นั้นเราจึงบริกรรมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทรแต่บางคนกูเอาถ้ามันเข้าพุทโทรมันยังเผลออยู่นะมันเผลอเอาหายใจเข้าพุทโทพุทโทพุทโทหายจะออกพุทโทพุทธโทพุทโท5ครั้งหายใจเข้า3ครั้งหายใจเข้าสองครั้งหายใจออกสครั้งเพื่อไม่ให้มัน พุทโธย้ำอีกทีเพื่อมาให้มันมันหลุดนะสลบแล้วก็คือให้มีสติสัมปชัญญะในประการบริกรรมมาเลกรรมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธหรือจะเอาพุทกระไรโธอย่างเดียวก็ได้ได้ทั้งนั้นแหละเออหรือจะว่ามันทำมันเผลอไปมันไม่อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธสัมทับอยู่ที่ตัวผู้รู้คือใจของเราตัวที่มันนึกคิดจุดนั้นล่ะ ให้มีพุทธโธไม่ให้ขยับไปที่ไหนอันนี้ก็เป็นการบริกรรมพุโทโธอันนี้คือสมถะิคือทำจิตใจให้สงบแต่บางท่านบางคนหลวงพ่อแนะนําไปในะสถานที่ใดหลวงพ่อก็แนะนําว่าเออถ้ากว่ามันยังเผลออยู่มันเผลอมันเผลอเวลาไหนมันไปยังไงมันไปขณะไหนเราก็จับมันไม่ได้ทดลองดูนะให้ดทดลองนับดูนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองหนึ่งสอง สามสแต่อย่าไปแต่งลมจะไปฟูดฟาดฟูดฟาดให้นับตามปกติที่ลมหายใจเข้าหายใจออกแต่ให้มีบังให้มีบังคับให้มีให้มีสติอยู่ที่หายใจเข้านับหนึ่งสองจะถึงร้อถ้าถึงร้อไม่เผลอให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีกหนึ่งหนึ่งอีกถ้ามันเผลอมันเผลอจุดไหนถ้ามันเผล๋อยับนับยังไม่ถึง20มันเผลอเราอย่าไปนับต่อให้กลับมานับหนึ่งใหม่อีก เราจะไลยรู้ว่ามันเผลอมากน้อยแค่ไหนในตัวของเรามันเผลอมันเผอ่อย่างไรหายใจเข้าเป็นเลขขี้หนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สองหายใจเข้าเป็นเลขขี้สามสี่ห้า6ขี้คู่ขี้คู่ขี้คู่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอร์สัก่อนพอเบอร์เสร็จแล้วมันจะคู่ขี้หายใจเข้ามันจะเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี่อันนั้นแปลว่าเราเผอจะ เราเผลอสติแล้วเราควรจะมาตั้งต้นใหม่ทีนี้เราจะรู้ได้ว่ามันเผลอมากน้อยแค่ไหนถ้ามันนั่งนับไปถึงสิบกบเผลอเอาเผลอเอาเออพวกเราอย่าไปชลาดใจนะอันนั้นนะพร้อมทร้อมที่จะเป็นอัลไซเมอร์พร้อมที่จะขาดสติพร้อมที่จะเป็นบ้าได้ไง่ายๆเพราะอะไรเพราะมันขาดสติถ้ามันโคนขาดสติแล้วนะั่นมันเสียหายได้ทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราฝึกเรื่องสติสัมปชัญญะ กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้ามีสตินี่แหละอันนี้คือกรรมฐานเรียกว่าส ม, มัฏฐส ม, มัฏคือทําจิตใจให้สงบสรุปแล้วก็คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้กรรมฐาน40สอย่างถ้าเราศึกษาให้ดีในหลักธรรมคา ส, สอนของพุท ธ, ธะแล้วเราจะพอสรุปได้ว่ากรรมฐานของพระพุทธเจ้ากําหนดไว้4ประเด็นหลักคือ กายเวทนาจิตธรรมกายก็คืออะไรกายก็กำหนดลมหายใจเข้าออกเอาอะไรกำหนดเอากายยบหนอพองหนอเอากายทําการเคลื่อนไหวของร่างกายก็คือกายอันนี้แหละกายยารุปัฏฐานสติปัฏฐานเวทนานุปัฏฐานก็คือการเคลื่อนไหวการเจ็บปวดกําหนดดูที่การเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยวเวทนานุปัฏฐานเวทนานมันเวทนาทางนอก เวทนากายเวทนาจิตมันสองเวทนาเวทนากายก็คือการเจ็บปวดของกายเวทนาใจก็คือความทุกข์ใจของเรามีความทุกข์กระถ่มอะไรเราก็ดูดูใจของเราอันนี้ว่าเวท น, า น, น า, านุปัตนาจติปัฐานเจตตาลุปัตนาคือความนึกคิดความปรุงฝงของจิตใจให้ตามดูเจตจิตของเราคิดเรื่องอะไรในขณะนี้เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเจตตาลุปัตนาจติปัฐาน ท ร, รมาลุปัจนาเจติปัตานคือท ร, รมารมที่มากระทบใจมันมากระทบบางทีก็ดีใจบางทีก็เสียใจทใจกใจุกใจมันมากระทบเราก็รู้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะท่านเรามีสมาธิดนะีถ้าเราไม่มีสมาธิมันกระทบอยู่ทั้งวีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีเรา ก, กาหนดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราขาดสติไม่มีสตินี่แหละอันนี้คื อ, คอ การกําหนดกรรมาฐานอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมอันนี้คือหลักใหญ่แต่หลวงปู่ม่านท่านบอกว่าถ้าพิจารณาธรรมมารมมันตัวเป็นนามธรรมมันมันจับไม่ได้มันรู้ไม่ได้ถ้าเราสติถ้าเราไม่ฝึกสติให้ดีซะก่อนเราจะฝุกจิตตุกตาลูก ป, ปัจจนาก็เหมือนกันแต่เวทนารูก ป, ปัจจนาลูก ป, ปัสติตฐานเนี่ยอันนี้คือ เราพอจะจับได้เพราะมันเป็นเวทนาแต่ว่ากายานุปัฏฐานเป็นของหยาบถ้าว่ากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่อยู่จับลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่ได้ยังไม่อยู่จับไปกำหนดจิตตานุปัฏฐาจะไปกำหนดทำรรมานุปัฏฐานยากท่านพูดอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราในฐานะที่มาศึกษาในแนวแถวของ หลวงพ่อจิตแนแนวแถวสายหลวงปู่มั่นให้พวกเราได้สังเกตที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็คือสมถกรรมฐานส่วนวิปัตนากรรมฐานเมื่อจิตผ่านความสงบแล้วจิตนิ่งแล้วจิตไปมีพื้นฐานเป็นแห่งความสงบแล้วให้ถอนจิตแล้วถอดจิตบังคับจิตความรู้นั้นนั้นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาร่างกาย ร่างกายสังขารของเรา เ, เดี๋ยวนี้เราหลงอะไรหลงร่างกายใจของเราเนี่ยหลงร่างกายเมื่อหลงร่างกายว่าเป็นตัวตนของเราน่ารักใคร่ชอบใจพอหลงร่างกายแล้วก็หลงญาติพี่น้องหลงสามีภรรยาโลกหลานเงินคำทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์หลงไปหมดเพราะเหตุไรเพราะหลงร่างกายถ้าเราพิจารณาเห็นร่างกายว่าไม่ใช่ตัวตนของเรา ร่างกายในอีกสักวันหนึ่งจะนอนทับถมแผ่นดินจะแยกแตกแตกแยกเป็นธาตุสี่ตินน้ำลมไฟร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งจะต้องเอาไปเผาไฟเป็นกระดูกไม่ว่าท่านผู้ใดทั้งหมดเพราะนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราณใจนะในเมื่อจิตของเราใจของเราผ่านความสงบเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วเป็นสมาธิและจิตใจเป็นหนึ่งแล้ว เราจะแยกออกได้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอ่านกันเห็นได้ชัดเพราะเหตุไรเพราะว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิเราแยกได้กระทั่งว่าร่างกายเหมือนกับรถจิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเรารู้ได้ชัดเจนในตัวของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนามธรรมกับรูปธรรมนักภาวนาเท่านั้นจึงจะรู้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องของนามธรรมมากกว่ารูปธรรมเรื่องนามธรรม ออคือใจนั่นแนะพระพุทธองค์จึงหว่ามโนปุพังคัมมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นหลักพุทธศาสนาท่านให้ความสำคัญเรื่องตัวนามธรรมมากกว่าตัวรูปธรรมให้ความสำคัญโซเฟอร์รถมากกว่ารถแต่ทุกวันแต่โลกทั้งโลกเขาให้ความสาคัญเรื่องของรถมากกว่าโชเฟอร์รถ แต่พพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพุท ธ, ธะให้ความสำคัญเรื่องโซเฟอร์มากกว่ารถเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้ยินได้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าววิธีการปฏิบัติตนหรือวิธีนั่งสมาธิที่เป็นแนวทางสมถกรรมฐานและววิปัสสนาก็ให้แยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงของมัน นั่นแหละวันนี้ก็เห็นว่าการกล่าวหรือการแสดงธรรมที่พวกเรามีเวลาจํากัดนะหลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปุญญานิปรโลกเสมิงปฏิฐาโหนติปาณิังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกนาเพราะโลกนี้พวกเราพึ่งบุญในอดีตชาติพวกเรามีบุญ จึงได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยได้มาเกิดเพราะพุทธศาสนาได้ทําหน้าที่การงานอย่างนี้เพราะเป็นบุญเก่าถ้าาว่าพวกเราไม่สั่งสมบุญกุศลต่อนะเกิดพบหน้าชาติหน้าอาจจะตกตามกวัานี้อาจจะไปเกิดที่ไหนก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีบุญเราไม่ได้สั่งสมบุญเอาไว้เพราะฉะนั้นบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกนี้นึกเมื่อเราจากโลกนี้ไปบุญก็ยังส่งเสริม ต่อไปในภพภูมิชาติหน้าไปอีกเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ยกเป็นพุทธบาติตเรียกว่าปุญญานิปัลโลกัสเมิงและกระไยะวยะธรรมมาสังคาราหลวงพ่อย้ำอีกว่าเราเกิดมาแล้วเป็นโ อ, โอวาทของพระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิผ่านในวันเดือนหเพนนี่ในวันคืน6กเพนก่อนที่จะปิดพระโอษฐ พระ อ, องค์ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าขยะวิยะธรรมมาสังขาราอั ป, ปมาเดนะสัมปาเดทาติสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงขอให้ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสั่งพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัท4ี่ที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าประโยชน์ตน ก็จะได้ประมาทประกอบคุณงามความดีเรื่องสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวประโยชน์ท่านก็ให้ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองอย่างองค์หลวงตามหาบัวเป็นตัวอย่างประโยชน์ท่านท่านก็ได้ประกาศระว่าชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราหลวงตาก็ประกาศอย่างนั้นเหมือนกันจากนั้นท่านก็ช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมืองช่วยลงพยาบาลช่วยโรงเรียนช่วยประเทศชาติหาทองคําเข้าคลังหลวง ได้ถึง13ตันเอาออกมาจากป่าดงพงไปมือเปล่ า, ามีแต่เทศนาว่าการรวบรวมทองคำํำแต่พวกเราอีกคิดอีกในแง่มุมหนึ่งเอ้ยก็ใช่เลยสิเอาเงินของคนอื่นอา้าวใช่เอาเงินของคนอื่นก็เถอะเอาเราดูสิไปประกาศดูสิทําเหมือนหลงตานะเราจะได้ทองคํำไหมาบางทีเพ้อๆ อ, อ, อาจจะได้คอนต่พศเขาก็ได้นะ อาจจะไม่ได้ทองคำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าประมาทอันนี้เป็นบุญวาสนาบารมีของอพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ลงตาที่ท่านพูดออกไปและคนเชื่อนับถือเรื่มใส่เสียสละทองคำมาได้ถึงสิบสามตันน่าเชิดชูบูชาอทองคำเหล่านั้นก็มามอบไว้กับประเทศชาติชาติไทยของเราในแบงค์ชาติของเราให้เพื่อเป็นชนโหนในแบงค์ของเราให้ จะทําสิ่งไหนก็มีคุณค่าจะพิมพ์ธนบัตรออกไปก็มีคุณค่าเพราะอะไรเพราะมีทองคําเป็นเครื่องประกันเพราะนั้นหลวงตาท่านมองไกลหลวงพ่อว่านะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้เรียนได้ศึกษาวิธีการทําแบงค์พิมพ์แบงค์พิมพ์ธนบัตรแต่หลวงตาท่านคงจะคิดอย่างหลวงพ่อพูดนี่แหละท่านจึงได้หาทองคําเข้าคลังรวงให้เป็นเครื่องประกันประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเรา การกล่าวสมโภชนิยกถฐาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระศีรัตนัไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกด้วยบุญบ ร, รมีองค์หลวงปู่องค์หลวงตาขอให้มาคุ้มครองคณาจารยาญาติโยมลูกหลานขอให้ลูกหลานทั้งหลายเป็นคนดีคิดดีทาดีพูดดีขอให้ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ จงเจริญรุ่งเรืองขอให้ประเทศไทยพุทธศาสนาคู่อยู่คู่กับเมืองไทยอยู่คู่กับลูกกับหลานนานเท่านานแล้วก็พวกลูกหลานทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศิลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเถิน